บางทำกันถามการตามเวลาเป็นมงคลเวลาไหนณะนี้โอกาสนี้ต้องมาพุท ก, กรรมฐานคือการกระทำมีการงานมีการกระทำถ้าทำสิ่งใดมันดีขึ้นจูความดีขึ้นเรียกว่าวิปัสนา เรื่องเราแปลงฟันการแปลงฟันคือกรรมาฐานเพื่ออะไรเก่งแปลงฟันเพื่อให้ฟันสะอาดถ้าฟันสะอาดดีกว่าเก่าเรียกว่าวิปัชนาเกิดผลงานของการกระทเาเมื่อเราแปลงฟันล่างมือกินข้าวอาบน้ำซักผ้าล่างถ้วยล่างแก้วเหมือนกันหมดกปิดบ้านถูเหลวนเหมือนกัน ให้เป็นกรรมฐานเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มกายเต็มใจของเราทั้งหมดแม้แต่การพูดจาว่าใส่ขบคิดก็ให้เป็นกรรมฐานนี่ที่ตั้งมีการกระทำํำมันเราสวดพระสูตรเมื่อมีสติเพ่งพินิจอยู่อะไรที่มันเกิดขึ้นก็เห็นลอยไปแล้ววางไปแล้ว หลุดไปแล้วเป็นพราหมคือผู้รอลอยบาปลอยไปแล้วเหตุจริงทั้งหลายเกิดที่เหตุก็ดับที่เหตุก็ดับไปแล้วมันหลงก็ดับความหลงไปแล้วมันทุกข์ก็ดับทุกข์ไปแล้วมันโกรธดับโกรธไปแล้ว ถ้ามีสติอยู่มันก็เห็นเห็นแล้วก็ทำให้มันหมดไปนี่คือกรรมาฐานทำอะไรก็ต้องเป็นกรรมาฐานให้ดีกว่าเก่าตรงพุนภาวะเก่าไม่มีงานมมีการทำจนเกิด การเปลี่ยนแปลงเช่นพระภิกษุคือผู้เห็นภยัยในวัฏสงสารภัยในวัฏสงสารการเมินไหวแต่เกิดจนถือเป็นงานเป็นการ ธรรมณะคือผู้สงบเห็นความสงบเห็นความผุ่งซ่านในความผู้งซ่านมันมีความสงบเห็นความสงบเข้าไปเห็นความสงบที่มันมีเห็นความผู้งซ่านที่มันมีที่ใดลู้งซ่านที่นั่นทําให้สงบเดินไปพระภิกษุผู้ผู้ผ คู่คู่ขอขอทางขอผ่านต้องแสดงหลอกอันนี้คือความหลงเอาไว้ข้างหลังผ่านไปขอผ่านไปก่อนอันนี้คือสุขคือทุกขขอผ่านไปก่อนทุนไปก่อนรูขอทางพระภิกษุปองไวจัน ผ่านไปแล UM ้วพ้นไปเรยแล้วพ้นไปแล้วอยหรือเปล่าจันท์ไม่เปื้อเพื่อนเห็นหลงไม่เป็นผู้หลงไม่เปื้อเพื่อนความหลงเห็นความสุขไม่เป็นผู้สุขไม่เปื้อเพื่อนความสุขเห็นควาทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์หรือ่าไม่เปื้อเพื่อนความทุกข์บริสุทธิ์ แล้วพรหมจรร์ที่พรหมจัรย์คือพ้นไปที่สุดที่สุดแล้วมันหลงพ้นเจ้ากลมหลงแล้วก็สุดแคนั้นแล้วแล้วพ่นหลงก็พ้นก็สุดแล้วสุดทางแล้วมันทุกพ่นเจ้าทุกสุดทางแล้วแล้วพ้นไปแล้วแล้วพมจัรบริสุทธิ์แล้วไม่เปื้เพื่อนแล้วเกิดจากกรรมฐาน อยากให้กรรมฐานเต็มบ้านเต็มเมืองอะไรก็ให้เป็นกรรมฐานใช่เข้าสวิปัจสนาพ้นภาวะเก่าพ้นทางไหนพ้นทางกายพ้นทางใจกายมันก็มีฉุกมิทุกข์ค้นจากสุขเฉิทุกข์กทางกาย ใจก็มีทุกข์มีสุขก็พ้นจากทุกข์กทุกข์ทางใจพ้นจากความโลภความโกรธความหลงจนความหลงหมดไปเหงือดแห้งไปแล้วไม่มีเชื่อนิพพานไปแล้วไม่มีเชื่อเหมือนเมล็ดพืชไม่มีเชื่อข้าวปลูกที่เราเจ็บไว้ข้ามปี เอ้เพราะไม่เกิดแล้วนันหมดเชื่อแล้วมีอายุแค่ปีหนึ่งสองปีพืชอะไรก็ตามถ้าเก็บไว้ธรรมชาติไม่มีอุณหภูมิเหมือนกระรวงเกษตรกระรวงกษตเรเขาก็มีที่เก็บพืชพันเหมือนอยาวัคซีนถ้าเก็บไม่ดีก็หมดอายุได้ ต้องเก็บใส่อะไรสู้เย็นหรืออะไรก็ไม่รู้ถามหมอถามพยบาบาลด้วยต้องเก็บใส่ที่มีอุณหภูมิที่มีอายุได้เที่นี้กิเลตันหาเนี่ยมันก็ไม่ไม่มีอายุถ้าเราดูาจบ ควบคุมมันเช่นข้าวเก็บไว้ในยุ้งในฉางไม่เห้มันถูกดินไม่ถูกฝนไม่ถูกแสงแดดในที่มุงที่บงังถ้ามันถูกฝนมันก็งอกถ้ามันถูกฝนถูกดนินก็งอกงอกขึ้นมาถ้ามีดินมีปุ๋ยมันก็ยังราก เกิดแล้วกระดิกทุกแล้วทุกอีกสุกแล้วทุกอีกถ้ามันหมดเชื่อไม่ต้องให้ถูกแสงแดดถูกฝนถูกอะอะไรมันก็มีอายุน้อยๆสติเป็นสิ่งที่ควบคุมเหมือนยุ่งฉางเก็บพันธุ์พืชไม่ให้ถูกแดดถูกลมถูกฝนถูกดินแล้วก็ชินไม่ได้ สติก็เหมือนกันเป็นสิ่งที่ควบคุมคุ้มำเนิดของสังขารสติเป็นตัวควบุมกําเนิดของสังขารสังขารือทําให้เกิดการพวงแต่งและยาควคุมกาเนิดของชีวิตของวิทยาศาสตร์อาันต์นเป็นการควบคุมกำเนิดแบบปลายเหตุ ต้กุงเลิดของกิเลสตัณหามันก็ไม่มีมันเอาต้นเหตุเหมือนก็ตัดรากมันเหมือนก็ต้นไม้มันมีใ บ, บว่ามันมีรากจะบิดใบออกปิใบมันก็ผิไปใหม่ปดใบไปทิ้งอีกบัพผิม่ ชีวิตของกิเลสตัณหาเขาก็เหมือนกันมันมีลากลากของเหตุปัจจัยต่างๆนี่ตาหูจมูกลล่นกายใจรูปรสกลิ่นเสียงมีลากอยู่ลูกก็เป็นใหญ่ตาก็เป็นใหญ่หูก็เป็นใหญ่เสียงก็เป็นใหญ่ จมูกเลีงกายใจเป็นใหญ่รูปรถเป็นใหญ่แต่ถ้ามีสติอินทรีย์มันก็มีก็เป็นใหญ่กว่ารูปรถจินเสียงแล้วก็เป็นใหญ่แต่ว่าสติอินทรีย์มันใหญ่กว่าตาหูจมูกเลี้นกายใจมันควบคุมได้ไม่ว่าสิ่งใดที่เป็นเรื่องอะไรก็มีสิ่งควบคุม เรืดด่รถและโคกานใหญ่ๆเท็กเตอร์เครื่องบินก็มีสิ่งควบคุมให้ให้ใช้งานได้ต่างาเคยนั่งรถ เ, เคยนั่งเครื่องบินเนปาลจากอินเดียมาเนปาลเข า, าให้นั่งเขาให้นั่งติดกับคนขับ ว่าดูเขาขับเขาไม่ได้ทำไปที่มันหนักหนาเพียงแต่นิ้วมือกดตอนนั้นกดตรง น, นี้ใช้นิ้วมือดิ้วเดียวไม่ได้จับตั้งห้านิว้วตั้งเบนก็ไปก็ลงก็ขึ้นได้ต้แม่โคที่เขามาขดุดเจาะก็ไปเห็นเขาขดุดเจาะ ขันใหญ่ก็เขาก็เล่นอยู่นิ้วมือปก๊ปกปกัปกปักปักอยู่นักโคลงก็ทํางานถามเขาว่าทำไมจึงใช้จังหวะได้ดีเขาว่านักโคลทั้งขันเนี่ยมันเหมือนกับมือของผมมือของผมนี่ยผมจะวางผมก็วางผมจะจับมันก็จับผมจะกดลงก็กดลงผมจะยกขึ้นก็ยกขึ้นเหมือนมือผมยกไปยกมา มันก็ควบคุมได้ชีวิตเราถ้าใช่ถูกต้องเป็นกรรมฐานมันก็ควบคุมได้ในที่จับมนที่วางอะไรต่างๆในกรรมฐานทั้งหมดตั้งแต่เห็นกายมีทั้งการเห็นมีทั้งวางมีทั้งจับเอา จิงได้ควรจับจิงได้ควรวางมันก็มีีว่ากรรมาฐานเนี่ยมันเกิดวิปัชนนามันรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้ทุกข์รู้สุขรู้อะไรต่างๆที่เกิดกับกายกับจิตใจ จนใช้งานได้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ใช้งานได้คล่องตัวกลัวชิงเอินใดไม่เกี่ยวข้องกับชิงได้ไม่เหมือนเราใช่รถใช้ลาใช้ปัจจัยต่างต่างมันเป็นของส่วนตัวส่วนตัวไม่มีใครใช้ชีวิตของเราได้เหมือนกับเราใช่ จอบใช่เสียมใช่เมฆใช่สิวใช่ขวนญทำงานทำการมันเหมือนของส่วนตัวของใครของมันถ้าเราไม่หัดก็ใช่ไม่เป็นไม่ใช่ไม่เป็นก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้าเราหัดแล้วก็เกิดประโยชน์หัดจนชำนาญมีสติจนชำนาญมีกายจนชำนาญกับสติมีใจกับสติจนชำนาญ ชำนาญในการใช้การใช้ใจมีผู้ใช้คือสติเหมือนเราชำนาญใช้มีดใช้จอบใช้สิวใช้ขวานใช้เลื่อยต่อมาใหม่ก็ใช้มาค่อยเป็นตําประตูน้าต่างก็ไม่ค่อยงามแต่ใช่ไปใช่มาชำนาญงามกว่าเก่าเคื่อยเล่มเดียว สิวอันเดียวโกบอันเดียวแตใช่มันดีกว่าเก่าแต่ก่อนมันใช่ไม่งามใช่ไม่เป็นมันก็ดีขึ้นอย่างนายช่างอย่างวิชาชีพต่างๆช่างจัดผมช่างตักเสื้อผ้าช่างช่างทำอะไรก็ตาม แม้แต่ช่างหัตกรรมศิลปรกรรมศิละ อ, อะไรต่างๆแม้แต่เป็นหมอเป็นพยหบาลเห็นคนป่วยก็ํำนาญว่าเป็นโรคอะไรใช่ยาอะไรแปบ๊บเดี๋ยวรู้หมดแจงคำถามคำพผกคำพูดสัมภาษณ์ก็รู้จักจมูฐานของโรคเกิดตรงอนันอนนี้น เราใช่อ่รขนาดนั้นขนาดนี้มันเป็นโลกของก็หายเราใช่ถูกต้องปุถุชนเหมือนกับคนป่วยธรรมะมันกับโอสถสติปัญญามันกับหมอก็จะเปรียบ ว, วัดนี่เหมือนกับโรงพยาบาล สองที่ศึกษาดีแล้วเหมือนกับหมอตัวตันคือความไม่รู้เหมือนคนป่วยคนโกรธคือคนป่วยคนหลงคือคนป่วยธรรมะคือโอสถมันรักษาคนป่วยจากความหลงความโกรธ ค, ความทุกข์ความลัะความชังให้หายเคียร์หายป่วยเรียกว่า กันละยาณนะปุถุชนหายจนหมดเชื่อโลกได้ ว, ว่าอริยะบคุคคลไม่มีเชื่อโลกไม่มีภยัยเหมือกับหมอโรงพยาบาลเหมือนกับที่ทางานยาเหมือนกับโอสถเนาะหมอเหมือนนายแพทย์เนี่ยจะมีเครื่องมือ อะไรเพื่อให้รักษาคนป่วยได้ตัวการที่รักษาคนป่วยได้ก็ต้องมีกรรมาฐานมีความรู้มีความชำนาญคนมีความรู้ทางานจึงใดก็สำเร็จกดงามงามในความสกปกก็มีเช่น ต้องแต่อ่านหลังซื้อพิมพเมื่อวานนี้ใช่เดือนกินขยะเกู่ที่หลังสิตขยะของศกปกใช่เดือนเป็นผู้ที่ย่อยขยะให้เป็นปุ๋ยขี่วภาพเอาไปผิดเป็น กระแสไฟผ้ า, าไปปิดเป็นปุ๋ยเอาไปปิดเป็นไรายได้ต่างๆกำลังมีชื่อเสียงเทศบาลหลังสิทธิเลี้ยงใช่เดือนกินขยะไฟเผาขยะต บ, บะเผากิเลสั้นก็เป็นคู่คู่กันอยู่แต่ว่าใช่เดือนมาดีกว่าไฟ ไปนี่ไปเผาเปิดมลภาวะคาร์บอนมอนอกไซด์ไปเผาที่ไหนชะวบ้างก็เขากท่วงปะท่วงโวยวายก็เลยมีปัญญาเลี้ยงใส่เดือนดินไว้กินขยะไม่ต้องเผาจอกใส่เดือน ย, อย่อยออกมาเป็นปุ๋ยขีบภาพเป็นอะไรต่างๆไปแปรสภาพได้หลายอย่าง กิเลสแท้ๆทำให้เป็นพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าได้เป็นพระเจ้าเพราะกิเลสเรียกว่า <c oughs> ดวงกัณฑ์ภาวะเก่าความโกรธชินไปความหลงสิ้นไปความทุกข์สิ้นไปจนไม่มีการเกิดแก่เจ็บตาย พุทธเจ้าเกิดเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เกิดจากชาติตะกูลวันนะเกิดจากทำลายความโกรธความโลภความหลงสิ้นภพชิ้นชาติในความโกรธความหลงชิ้นภพสิ้นชาติความทุกข์สิ้นภพสิ้นชาติจึงได้เป็นพุทธเจ้าไม่ใช่ชาติกําเนิด เป็นสามัญชนเหมือนพวกเราเห็นภยนัยธรงมชาตะเห็นการเกิดเจ็บเจ็บตายของคนเป็นการบ้านส่วนตัวเพอรับผิดชอบจนได้คำตอบไปสอนคนมีผู้รู้ตามจากพุทธเจ้า มาเป็นสมณาสัมพุทธเจ้ามาเป็นสารถีที่ฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัมมาสัมพุทธเจ้ามีสอนคนลู่ตามได้ไม่ใช่เป็นส่วนตัวเป็นผู้ที่ลู่ตามได้ในชื่อว่าสัมมาสัมพุทธเจ้า บอฝึกคนได้ยอดเยี่ยมปาบยักษ์ปราบมารปราบโจรผู้ร้ายเช่นองค์ขี้มานโจนดุร้ายปราบได้เป็นพระอรหรันต์เงว่าไม่มีใครยิ่งใหญ่สารถีเท่ากับพระเจ้าสารถีฝึกมาฝึ ก, กวเปฝึ ก, กวายฝึกช้าง ช่างพยศมาพยศเสถีฝึกได้วางตัวก็ฝึกไม่ได้แต่พระเจ้าฝึกได้ยิ่งกว่าคนอื่นในสสถีทั้งหลายนี่คือศาสดาของพวกเราเราก็เชื่อก็ทำตามดูจนเกิดกรรมฐานขึ้นมาก็ทำอย่างนี้ เปิดเผยเปิดตัวออกมาแต่ก่อนมันปิดกายของเรามันปิดใจของเรามันปิดพอมีสติมันเปิดออกเห็นกายตามความเป็นจริงแต่ก่อนเห็นกายเป็นตัวเป็นตนในความจุขความทุกข์ก็จากกายความร้อนความหนาวความหิวความปวดเมื่อยเกิดจากกาย ในความแก่ความเจ็บความตายเป็นกลายเป็นตัวเกิดเป็นตัวของเราไม่ใช่มอหะไปกายก็กมาเห็นแจ้งมาเปิดออกในความแก่ที่เกิดกับกายมันก็มีควไม่แก่เป็นเรื่องของเหนือกายปีกตัวจิตใจแต่เจ็บที่กายใจไม่เจ็บ ทุกที่กายใจไม่ทุกเหมือนถูกลูกศอนโดดเดียวแต่ก่อมันถูกทั้งสองดอโดดโตกายแล้วไม่พอทูกใจอกีกเจ็บปวดทั้งกายทั้งใจสองต่อซ่อมหลงไยเจ็บใจไม่มากกว่ากายตอนหลานทันว่าเจ็บอกกับกายป็นไฟใหม่ เจ็บใจปหมนผ้าผ่ า, าเคยได้ยินไหมโบราณเขาว่ามันเจ็บใจเหมือนฟ้าผ่าอะไรที่มันเจ็บเกินกว่าผ้าผ่าไม่ถึงเกียนตายถึงตายไปต่อเรียก บ, บุคคลถูกสอนหลอกเดียวใจไม่เจ็บตัวใจเนี่ยไม่ไม่ใช่จิตใจภาวะที่ไม่เจ็บเป็นธรรมะ ภาวะไม่เจ็บไม่ต้องเรียกว่ากายไม่ต้องเรียกว่าใจมันเหนือกายเหนือใจไปอีกภาวะเช่นนั้น <c oughs> มันมีอยู่กับชีวิตเราจึงหรือว่าสัตรประเสริฐต้องไม่ต้องอยู่กับกายไม่ต้องอยู่กับใจทิ้งมันทั้งสองอย่างเหมือนพ่วงแพร่ตังข่าวที่มันผุพัง มันใช้งานไม่ได้ตาแพ้เหมือนกับกายส <c oughs> นขับแพรเหมือนกับจิตใจตติเหมือนกับใช้แพรใช่ใช้แพ้กายมันมูผุพังมันจะโจมลงไปในน้ำทิ้งมันเลยขึ้นฝั่งไม่ใช่ใจไม่ใช่ กายเอาขึ้นฝังริงมันทั้งสองอันจึงเรียวกว่าเหนือการเกิดเจ็ดเจ็บตายมันพระหันว่าโจรผู้าาย เขาจะประหารเขาจับไปเอาไปป้นไปขี้เขาจะฆ่าเพื่อจิงทรัพย์แต่จับถูกประหารจำชื่อไม่ได้ไม่อยู่ในพระสูตรหน่อยพุทธอนุพุทธประวัติจับไป โจนก็เลยเห็นว่าไม่เห็นสะดุ้งผวาไม่เห็นร้องให้ไม่เห็นขอชีวิตอะไรเดินตามโจนไปแต่นั่งอยู่ก็ยิ้มเยี่ยมแจ่มใสโจนเลยถามาทำไมเราจับสัตว์ก็ดีแพะแก่ามาประหารเพื่อปูชายัน จับคนมาเพื่อประหารเพื่อสิงส์จัดโจนมาเพื่อฆ่าเห็นแต่เขาร้องโ่มร้องไห้ขอชีวิตจับสัตว์สัตว์ก็ร้องจับใครมาก็ร้องท่านไม่เห็นมีปีกใหญ่เช่นนั่นเพราะอะไรบราลหัรก็เลยบอกว่าเรารู้เรามีสติปัญญา มีสติพร้อมเชียววางลงวางกายลงไปวางใจลงไปลอยไปอยู่กับอลไยถ้าจะฆ่าก็ฆ่าเลยถ้าจะทำอะไรก็ทำเลยเรามีสติวางอยู่แล้ววางอย่างงดงามไม่ได้เป็นทุกข์เป็นโทษไม่ได้โกรธท่านเราจะทำของเราเองเชิญข่าเราได้ โจรทั้งหลยก็สนใจก็เลยลากันนั่งลอง้อมไม่ก็อรหันต์าาโนั่นแสดงธรรมให้ฟังโดยกายเป็นคนดีจากการโจรมาเป็นคนดีได้ฟังธรรมไม่เหมือนกันวางลง่ลังที่หลวงตาเคยพูดหลายครั้ง อยู่ที่ไหนอยู่ตรงที่ไม่เป็นอะไรไม่ใช่โ อ, โอ้อวดเป็นเรื่องเปิดเผยความจริงที่พู้เจ้าทรงสองสอนมันเหนือการเกิดเจ็เจ็บตายก็เราฝึกกรรมฐานจนเข้าสุยปัสนาเห็นแจ้งตามก็เป็นจริงวางลงได้อยู่ตรงไหนตู่ตรงที่ไม่เป็นอะไร ก็เลยพูดออกมาเลยว่าไม่เป็นอะไรก็บอะไายก็พูดออกมาได้รับผิดชอบหลวงพ่อเทียนก็พูดออกมาว่าเชือกมันขาด <c oughs> เชือกมันขาดมันคืนสภาพเดิมเหมือนมันคืนสุสภาพเดิม ขันห้าแต่ก่อนขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันหน้าอุปทานเหมือนเราสวดหน้าเรายย่ออุปทานนะขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์อุปทานขันห้าคือยึดมันนดม่นว่ารูปว่าตัวว่าตนยึดมั่นว่าเวทนาว่าตัวว่าตน ยึดมั่นว่าสังขารว่าตัวว่ตนยิตปั้นวิญญาณว่าตัวว่าตนพระเจจาวางจัดลองเสียแล้วไม่ยิดเอาของหนักขึ้นมาอีกเหมือนคนหน้าคนร่วมมือกันทำงานยืดให้กันจากรูปปวชนาสัญญาสังขารวิญญาณวันนี้คนห้าคนนั้น หันหลังให้กันเลยกับเคืินู่ปกติไม่มาร่วมเมอกันวางจอบวางเสียมเมื่อกเราททำงานร่อมถนนไม่ใช่แต่ก่อนก็ขยันทำพอทำไปทำไมกลับจับจอบจับเสียมมาเก็บไปแล้วไม่ได้ทำเองมาที่ไหนมาสูุสภาพปกติ ทำไมจึงเลิกกันเพราะทำแล้วไม่มีอะไรทำอีกแล้วไม่มีกิจที่ทำอีกต่อไปแล้วเราก็แยกกันคืนสุขภาพเดิมแต่ก่อนสุขเป็นสุขทุกข์เป็นทุกข์ตอนนี้สุขไม่เป็นสุขทุกข์ไม่เป็นทุกข์เพราะไม่เป็นไม่เป็นสุขไม่เป็นทุกข์แม่มันจะทุกข์ก็ไม่เป็นทุกข์เห็นมันทุกข์ นันหายใจไม่ได้ก็ไม่ต้องทุกข์าหายใจไม่ได้อยู่ตรงไหนโยนตรงไม่เป็นอะไรไม่เป็นผู้หายใจไม่ได้นี่คือความจริงของชีวิตเราวิปัสนนาสุดหมายปลายทางของวิปัชนนาคือมุดหลุดพ้นจากปัญหาต่างๆที่อยู่ในกายในใจทั้งหมดเลยดังพระลหัม น่าจะวางลงอย่างงดตามมีปัจจุบันปัจจัยวางลงเหมือนมือห้านิ้ววางลงแต่ก็มันจับเอกมันก็อมอกมนก็นกนกวางลงมันก็วางได้มันก็จับได้เท้าประมาก็เหมือนกับขวดโหลรู้จักขวดโหลไหมเขาใส่กาแฟใช่ไหม เวลาเราไปไปเขี่ยวงานเขาให้เขาให้ใหจอดเมื่อลองไปในขวดโหลเอาเงินให้เขาหนึ่งบาทให้จับโบมาเอามากเท่าไหร่ก็ได้กำเอาเลย <c ười> <c ười> ใช่ไหม <c ười> ไปก็กำเอาเต็มกรมเลยถ้าเอาบาทเดีก็ได้แค่สี่ก้อนใช่ไหมอันนี้มันกำเอาทั้งหมดเลยมันจะโลกลึงก็ไม่ออกเท่านั <c> ้น <ười> ดึงออกไหมแต่กว่ามันหย่อนเข้าไปเนี่ยว่าไปเห็นขน ม, น ก, มออกับเอาวันหนึ่งออกมาดึงมาออกเลยวะทําทไงต้องวางลงเอาเนื้นอนี่ก็คือหวังกันนะมันต้องวางจึงจะได้การกรรมเอามันไม่ได้อะไรถ้าวางมันได้ได้ความปล่อยวางสัมบัติดูสิมันจะเป็นยังไง จะได้ความถือเอาให้ได้ความปล่อยวางถ้าวางเป็นก็เย็นได้ถ้าเอาก็หนักต้าวางก็เบามันวางกายวางใจมันเบาเบาเรื่องกายละหัตาเบากายจิตตละหัวใจเบากิจจะมันหนัก ลาลาฮาเวมันปัญจขันธาขันธ์ลังห้าเป็นของหนักเนอหนักจนหน้าบูดหน้าเบึง้งเหมือนช่างขี่ขว่าอยังหนักอยู่ทำไมหน้าตาไม่ดีไม่ชีอารมณ์ไม่ดี <c oughs> เ, เห็นมีไหมทำไมหน้าตาไม่ดี อ่ามึงไม่รู้จักว่ากูโกรธบัางเลยเอา้าโกรธยังไงตกใจเออขอโทษขอโทษนะอันตรขอโทษงูมันจะเลื่อยมาเลื่อยมาเรานั่งอยู่บนเตียงไม่ไครในปา่าไข่ มันเลื้อยมาการลอกาการแต้มันเลื่อยมาการแต้มันไล่กัดถางงูมาสงสัยมันจะทำหลังอยู่งูเห่าตัวนี้ไปใกล้หลังมันมันออกลูกการแต่ตัวนั้นก็ไล่ามากัดถางเรื่อยกัดถางเรื่อยงูก็ขึ้นสู้ก็งูสู้กัดลอกการแต่ก็ไม่กัดมันไล่กันมาไล่กันมางูก็เลอยมา มันมัวแต่โกรธกันอยู่ทั้งกัดงูทั้งกัดลอกก็นแต่ทะเลาะกันอยู่มันไม่ดูเราเรานั่งอยู่เนี่ยแล้วก็นั่งสร้างจิตวิญญาณในป่ากันเดียวแล้วก็นั่งนิ่งๆไม่ทําอะไรมันก็ไม่ดูเรามันก็รุ้ยมันมก็เต่ซู้โกวแต่อยู่มาใกล้เตียงกลัวมันจะเลื่อยขึ้นเตียงก็เลยเอาไม่ขีดอะรนะนะเอ โยนใส่หัวมันมันก็ไปถูกหัวพอไม่คิดไฟถูกหัวมก็ชูคอขึ้นคู่เราเพื่อบางคับเราเราก็เอาจีวร อ, ออกมาเกี่งไปพวกมันจะพ้นน้ำลายขอโทษขอโทษเราจะได้บอกว่าเรานั่งอยู่นี้ยามานี้แต่มาถูกหัวเที่ยวเขา้า ขอโทษขอโทษขอโทษงูเราก็ไม่ว่าเราไม่กลัวไม่เลยถ้ามันกระโดดมาเจ้าผ้าจิบอนกุมหัวมันก็ขอโทษงูมันตกใจถ้าคำให้ใครโกรธโอ้ยเราไม่ได้เจตนานะตั้งแต่ ส0่สิบปัวปีมานี้ถ้าใครมีความโกรธก็ขอโทษด้วยที่เกิดจากขบพูดการกระทำของเรานะไม่มีเจตนาจริงๆนะไม่ต้องไม่ผูกโกรธกันเอาไว้เสียเวลาเปล่าไม่ให้ท่านจะโกรธจะฆ่าเราก็ยอมเราจะไม่ทำอะไรแล้วขอวิ่งก็วิ่งหนีไปแต่วิ่งไม่ทันก็ยอมตาย นะไม่ได้โกหกตอบท่านด่ามาเราก็ไม่ด่าตอบท่านโกหมาก็ไม่โกหกตอบถ้าคนเราเป็นอย่างนี้จะอยู่กันด้วยความสงบปลอมเย็นที่สุดเลยขนของกรรมาฐานไปไกลนะแล้วต้องจอกมีสติเห็นสุเขันทุกข์มันไปแล้วไปแล้ว ก็เห็นก็พ้นไปแล้วถ้าเป็นก็หยุดแล้วเป็นการเดินทางทางจิตวิญญาณของหราเรียกว่าวิมุตลุด้นที่สุดของผมอาจา ร, ร์คือวิมุตลุดพ้นเหมือนพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมวินัยไว้ที่สุดของ พระพุทธจาสนะไม่ใช่ราบจักระแข่งินเย็นโยอไม่ใช่หมูมิดพวกพ้องบริวารไม่ใช่ตั้งตัวเป็นเจ้ารทธิเพื่อแข่งขันกับพระอื่นได้แต่เป็นการหลุดพ้นจากจริงทั้งปวงได้ว่าที่สุดของปรมอาจันทร์ของเรา เราประพฤติปรมจรย์นุ่งหลืองห่มขาวเป็นพุทธบริษัทไม่ใช่เพื่ออะไรเพื่อไม่ใช่เพื่อลาบจักรละได้อยู่ได้กินได้ใช้ได้จ่ายอะไรต่างๆเป็นลาบจักรละเสียงเสิญเยินยอในไม่ใช่เพื่อวิมุตต์หลุดพ้นนี่คือปมจร์ของเราตถาคต ดุดพ้นจากอะไรพ้นจากความโกรธความจากความหลงพ้นจากความรักความชังพ้นจากความสุขความทุกข์พ้นจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันจนไม่มีภัยต่อตัวเองและคนเดินนั่นเป็นที่สุดของการปฏิบัติธรรมของกรรมฐานที่เรากําลังศึกษาอยู่ปฏิบัติอยู่เนี่ยทําไปเรื่อยๆให้มีกรรมฐานไป เรื่อยไปทำงานทำการอะไรไม่ดีทำไม่ดีขึ้นไม่ใช่มานอนอยู่ไปเป็นหมอเป็นพยาบาลไปเป็นบุคลากรของรัฐของกระทรวงใดก็ตกามทุกเพศทุกวาสามันก็มีการทำดีละความชั่วทำความดีทำจิตบริสุทธิ์ แล้วยจะไม่พอต้องช่วยคนอื่นให้เขาละความช่วยให้เขาทําความดีให้เขาทํากิตให้บริสุทธิ์ไปสอนกันต่อกันต่อกันเป็นวัตถุจริงของก็มีทาละทำไม่ดีกว่าเก่าเป็นนามธรรมก็ทําให้ดีกว่าเ ก, าาก่ า, กาทําดีได้โตะทํางานไม่ดีก็ทําไม่ดีได้ห้องทํางานไม่ดีทําไม่ดีได้อะไรที่มาไม่ดีทําไม่ดีได้อยู่ที่ไหนทําให้ดีขึ้นกว่าเกา่า เรียกว่าพ้นภาวะเก่าพ้นภาวะเก่ามีกรรมฐานเต็มบ้านเต็มเมืองแอ้บ้านกรรมฐานต้อบ้านกรรมฐานพยาบาลกรรมฐานจะขึ้นป้ายเลยเพราะมันเป็นการกระทำที่ดีถึงวิปั จ, จนาถ้าไม่มีกรรมฐานไม่มีพื้นฐานของําทำความดี ต้องมีการกระทำต่างกายต่างใจด้วยพูดออกไปก็เป็นกรรมฐานมีสติมีสัมปชัญญะเป็นฐานเป็นที่ตั้งไว้ตั้งไว้ในกายตั้งไว้ในใจตั้งไว้ในการทางานทางานนี่คือวิชากรรมฐานมันทันสมัย คันสมัยมากเป็นการพัฒนาชีวิตครบวงจรเศรษฐกิจก็ดีสังคมก็ดีสุขภาพก็ดีถ้ามีกรรมฐานเราครบถ้วนมนะบุดีไม่โูบเล่าไม่เดิมไม่เที่ยวเตะเลยลอนชัดเจนแม่นยำให้ชีวิตไม่เดินเลื่อนๆลาง เรียว่าครบวงจรก็ไม่มีกรรมฐานเนี่ยขาดขาดเหลือๆจับหน้าจับหลังถ้ามีสติเราตั้งไว้กับการทํา ง, งานทํำ ง, งานแล้วก็ดูแลตัวเองคุ้มดูแลตัวเองก็หนุนได้ของตนของงานของบุคคลของสินของธรรมาาก็จะกรรมฐานทั้งนั้นตอนนี้พวกเราก็เนาะหมอก็เนาะ โุกรณ์ของรถกระซองสารสุกก็จะกลับไม่ใช่ชิ้นสุดกรรมาฐานไม่มีคำว่าปิดคำว่าเปิดมันอยู่กับชีวิตของเราที่ใช้ชีวิตให้แม่นยำชัดเจนต่อไปเราไม่ใช่อยู่ด้วยกัน5้าวันเจ็ดวันอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตเลยอะไรที่เป็นความไม่ดีไอ้บทเรียนไป เอาทิ้งไวน้นี้อะไรที่เป็นความดีเอาไปประกอบเอาไปทําหลวงพ่อก็ยังอยู่กับหลวงพ่อเทียนยังมีหลวงพ่อเทียนในหัวใจยังมีพระพุทธเจ้าในหัวใจยังมีพระธรรมพระสงฆ์ในหัวใจเอาอย่างนี้เสมอไม่จนเป็นชีวิตที่ไม่จนมีศรัทธาไม่ ข้อเน้นคอนเซนมีความเชื่อมีความเพียรที่ทำดีเรื่อยไปความดีส่วนตัวทำจาจจุดความสามารถความดีส่วนรวมกวาทำเราจะดีคนเดียวไม่ได้ต้องช่วยกันดีเขีนไขหวัดใหญ่เวลานี้ต้องป้องกันตัวเอง ทุกคนป้องกันตัวเองบางทีถ้ามีไข้เป็นหวัดก็อย่าไปไอไปจามต่อสาธารณชนถ้าจะไอจะจามก็ปิดปากเป็นล่อนช่อนกลางล่างมือดีๆนี่คือกรรมฐานเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกเป็นเกิด ผลคือความดีเพราะผลงานกรรมฐานสมควรใจเวลากลารเพ้อมกัน